ก็อย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆะและสังคมข้อก่อการกราบไหว้าตามแกอ่อนพัรษา ในวงพุทธบริษัทเป็นที่ทราบกันดีว่าครือขัดกราบไหว้แสดงความเคารพแก่พระภิสุส่วนในหมู่พระพิสุก็แสดงความเคารพกันตามลำดับความแก่อ่อนโดยพรรษาหรือตามลำดับอายุสมาชิกภาพในหมู่สงฆ์พระพิสุที่อ่อนภรรษากว่าจึงกราบไหว้พระพิสุที่แก่พรรษากว่าการแสดงความเคารพกันตามความหมายของพระพุทธศาสนาอย่างนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องแสดงความสูงต่ำไม่ว่าจะในด้านเกียรติยศอำนาจภายนอกหรือคุณธรรมภายในก็ตามด้านภายนอกมองเห็นง่ายอยู่แล้วว่าเฉพาะด้านคุณธรรมภายในครือหักแม้เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงเพียงใดก็กราบไหว้พระพิสุที่ยังเป็นปุถุชนหมายเหตุเชิงอัดคฤือหัที่เป็นพระอรหันต์ก็มี แต่คำพีมิลินทะปัญหากล่าวว่าเครืหัดผู้เป็นอารหันนั้นจะอยู่ในเพศครือหัดเพียงภายในวันเดียวเพราะจะต้องบวชเป็นพิสุหรือไม่ก็นิพพานในวันนั้นในคำพีมิลินทะปัญหาท่านแสดงเหตุผลไว้ด้วยว่าทำไมเครือหัดโสดาบันจึงสงกวรแสดงความเคารพแก่พิษุปุตุชน แต่ไม่ได้กล่าวถึงพระอรยิยบุคคลที่สูงกว่านั้นอย่างไรก็ดีมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกเช่นจิตตะคเรหัม บ, บดีซึ่งเป็นอนาคามีก็กราบไหว้แม้แต่พระสุธรรมภิกษุซึ่งคิดไม่ดีต่อท่านอัตถกถาในคำพีปรมัตตโชติกาถึงกับอ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายพระอนาคามี ถ้าเป็นครือหัดก็ควรกระทำการกราบไหว้เป็นต้นแก่สามเณรแม้ที่บวชในวันนั้นพุทธพจนี้ยังไม่พบในพระไตรปิฎกแต่ก็ลงกันโดยหลักการส่วนในหมู่พระสงฆ์พระพิสุผู้เป็นอริยบุคคลสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์แต่อ่อนปัญษากว่าก็แสดงความกรรบแก่พิสุปุถุชนผู้แกปรรษากว่าที่เป็นเช่นนั้น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 ตลอดจนเพื่ออนุเคราะห์บุคคลที่ท่านกราบไหว้นั้นเองหากผู้นั้นด้อยภูมิธรรมแต่ยังมีคุณความดีอยู่ก็จะได้เครื่องเตือนสติตนให้สังวรระวังพยายามประพฤติปฏิบัติให้ดีงามและเร่งขนขวายฝึกอบรมตนให้บรรลุภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปหากพระอริยบุคคลจะงดเว้นไม่กราบไหว้ไม่แสดงความเคารพใครในกรณีใดกรณีหนึ่ง ท่านก็จะกระทำด้วยเหตุผลที่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่คนผู้นั้นในแง่ใดแง่หนึ่งหรือเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมบางอย่างแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสเนื่องด้วยความยึดถือตัวตนหมายเหตุเชิงอัดพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์แสดงธรรมแก่ผู้ใดก็ตามแม้แก่คนขอทานหรือพรานกระจกก็ทรงแสดงโดยเคารพทั้งสิ้น คือทำด้วยความตั้งใจให้ความสำคัญมุ่งให้เป็นประโยชน์แก่เขาจริงๆทั้งนี้เพราะทรงเคารพทำการที่คนทั้งหลายแสดงความเคารพสุภาพอ่อนน้อมต่อกันตามฐานะภาวะและขนบธรรมเนียมประเพณีก็พึงยึดถือหลักความเคารพเช่นนี้จะได้ไม่เกิดปัญหาทั้งในแง่ไม่ทำเพราะมานะอาหาังการถือสูงถือต่าว่าเขาไม่ดีไปกว่าเรา และทั้งในแง่ธรรมเพราะประจบประแจงเป็นต้นการแสดงความเคารพเกินควรหรือแสดงผิดฐานะผิดภาวะหรือไม่จริงใจก็กลายเป็นการไม่เคารพธรรมได้เช่นเดียวกับการไม่ทำความเคารพการไม่เอื้อเฟื้อต่อกํานดธรรมเนียมเพราะมานะอหังการอันที่จริงด้วยความเคารพธรรมทุกคนย่อมต้องเคารพซึ่งกันและกันเช่น คารบในความเป็นมนุษย์ในความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ในคุณธรรมที่แต่ละคนมีต่างๆกันเป็นต้นแต่ความคารพกับการแสดงความคารพเป็นคนละอย่างกันความคารบเป็นเรื่องชั้นในการแสดงความคารพเป็นเรื่องชั้นนอกซึ่งซ้อนเสริมเข้ามาเพื่อประโยชน์ในระดับสังคมเป็นเรื่องของพิธีการแสดงออกที่ตกลงกันกำหนดขึ้นไว้สุดแต่เหมาะสม เท่าที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมมีความสงบเรียบร้อยดีงามเป็นต้นซึ่งว่าโดยหลักการก็คือความเคารพธรรมในระดับที่มุ่งเพื่อความดำรงธรรมของสังคมนั่นเองในกรณีนี้ผู้ได้รับการแสดงความเคารพก็ต้องแสดงความเคารพเหมือนกันโดยอาการที่เรียกว่าเอื้อเฟือ้อเช่นแสดงความเอื้อเฟื้อ ต่อการแสดงความเคารพของเขาเป็นตน้นส่วนพระอริยบุคคลที่เป็นเครือหัดย่อมกราบไหว้แสดงความเคารพแก่พระภิกษุแม้ที่เป็นปุถุชนด้วยเหตุผลเกี่ยวกับธรรมหรือเพื่อเชิดจูธรรมซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ข้อกอรพระภิกษุสละวิถีชีวิตอย่างชาวบ้าน ซึ่งสแสวงหาความสุขสำราญปรนเปลอด้วยการมาสุขต่างๆยอมสมัครใจออกมามีความเป็นอยู่ที่ขาดความพรั่งพร้อมสะดวกสบายถือข้อปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาวตนเองต่างๆและรักษาวินัยซึ่งเป็นของยากที่บุคชนจะประพฤติตามได้แม้แต่ตนซึ่งเป็นอารยะบุคคลก็ยังไม่ต้องปฏิบัติงดเว้นเข้มงวดถึงอย่างนั้นนับว่า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 เป็นผู้ร่วมอยู่ในสงฆ์คือเป็นสมาชิกแห่งชุมชนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับธรรมโดยตรงเป็นที่ชุมนุมของผู้มีคุณธรรมหรือประพฤติปฏิบัติความดีไว้ได้มากที่สุดเป็นสมาคมของคนที่โดยมากมีคุณธรรมเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของธรรมหรือการดำรงอยู่แห่งธรรมภิกษุแต่ละรูปย่อมเป็นตัวแทนแห่งสงฆ์นั้นเมื่อกราบไหว้พิกษุนั้ น, น, น ในฐานะที่เป็นพิสุรูปหนึ่งไม่ใช่ในฐานะพระชื่อกกพระชื่อขอก็คือเคารพกราบไหว้ให้เกียรติแก่สงฆ์และเป็นการเคารพเชิดชูธรรมด้วยข้อ ง, งอพระพิสุเป็นตัวแทนของสงฆ์ดังกล่าวแล้วและพิสุสงฆ์นั้นย่อมเป็นพุทธบริษัทส่วนที่ทำกิจแห่งการศึกษาปฏิบัติและสั่งสอนเผยแผ่ธรรมได้ดีที่สุดเหมาะที่สุด จึงเป็นชุมชนที่ดำรงรักษาธรร ม, มวินัยคือหลักธรรมคำสอนและระเบียบแบบแผนของพุทธศาสนาไว้ได้อย่างที่เรียกว่าสืบต่อศาสนาและอย่างที่บางทีเรียกพิสุว่าเป็นศาสนาทายาทการคารพกราบไหว้ให้เกียรติแก่พระพิสุในฐานะตัวแทนของสงมีความหมายเท่ากับเป็นการเชิดชูสงไว้ให้ดารงอยู่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 หมายเหตุเชิงอัดแม้ในกรณีที่จะไม่ว่ายไม่แสดงความเคารพก็เพราะมีเมตตาจิตได้พิจารณาเห็นแล้วว่าการทําเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พิสุนั้นแต่พึงสังเกตว่าถ้าจะถือตามกติของพิสุสง์เช่นในกรณีลงพรหมทานแก่พิสุหรือของพิษุณีสง์ในกรณีประกาศไม่ว่ายพิสุรูปใดรูปหนึ่ง การกระทำเช่นนี้ควรให้เป็นไปโดยมติร่วมกันของชุมชนดังนั้นพระพิสุสามเณรถึงจะเป็นผู้ตชนแต่เมื่อเป็นผู้เพียรพยายามฝึกตนก็สมควรแก่อันชลีของเครือหับแม้ที่เป็นอรรยบุคคลพูดอีกในยัหนึ่งว่าพิสุสามเณรรูปใดเมื่อชาวบ้านกราบไหว้า ย, ยังคอยเกิดสำนึกที่จะสารวจตนว่า เป็นผู้มีคุณความดีสมควรแก่อันตรีกรรมของเขาหรือไม่พิสุสํมเนรมรูปนั้นก็ยังน่าไหวอันหนึ่งการแสดงความเคารพกันตามความแก่อ่อนโดยภรษาของพระพิสุทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องต่างหากจากการดำเนินกิจการของสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆกรรมเพราะสังฆกรรมสำเร็จด้วยมติของสงฆ์ซึ่งพระพิสุผู้เฉียบแหลมสามารถ เป็นผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ประกาศเรื่องให้ส่งทราบตั้งยติขอมติและประกาศมติสงได้แก่ตำแหน่งที่เรียกว่าผู้สวดกรรมวาจาเช่นที่เรียกในการอุปสมบทว่ากรรมวาจาจารย์หรือคู่สวดส่วนภิกษุที่จะเป็นประมุขหรือหัวหน้าก็เป็นเรื่องของภิกษุทั้งหลายพร้อมกันเคารพนับถือโดยกาหนดเอาภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่เรียกว่าภาษาทนิยธรรมแปลว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสซึ่งตามปกติพิสุผู้บวชนานมีประสบการณ์มากย่อมควรที่จะมีโอกาสได้รับฐานะนี้มากกว่าพิสุผู้บวชภายหลังเพราะได้มีเวลาที่จะศึกษาปฏิบัติฝึกปรือตนมานานกว่าแต่ข้อนี้ไม่เป็นตัวตัดสินหมายเหตุเชิงอัดอย่างไรก็ดี ระบบการบริหารของสงฆ์เช่นนี้ย่อมต้องอาศัยระบบการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นที่เป็นเหตุก่อนคือการฝึกหัดขัดเกลาวาที่เริ่มแต่บวชในสมัยใดระบบการศึกษาอบรมที่เป็นเหตุนั้นบกพร่องหรือขาดหายระบบปกครองสงฆ์พุทธแบบเดิมนี้ก็ไม่อาจดำเนินไปกลายเป็นต้องอาศัยระบบอื่นเข้ามาแทนทั้งนี้เพราะระบบสงฆ์แท้อาศัยรากฐาน คือมีมวลภิกษุสมาชิกซึ่งมีการศึกษาที่แท้เป็นผู้ขัดเกลาดีแล้วนอกจากนั้นมีข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในบางสมัยที่ระบบนี้เลือนลางไปแล้วเมื่อรู้ตัวคิดจะรื้อฟื้นขึ้นใหม่บางทีก็มุ่งแต่เรียกร้องเอาผลโดยไม่ได้คำหนึ่งที่จะทำเหตุ